ความรักเราไม่เป็นยางที่คิดเหตุผลและความจริงมันบีบคั้นให้เราเป็นแค่เพียงละครที่ฟ้ากำหนอดอให้ฉันนั้นต้องเป็นคนไป แม้ว่าเราแยกทางแยกกันไปยังปวดราถุกทอดทิ้งที่ไปให้ทอดทอยแค่เป็นเพื่อนที่ดีที่ยังหมายถึอพงน้ากอดดูมือฉันยิ้ทำให้เธอหวดใจไกล เจ้ยิฉันตอบย้ำเรื่องราวไม่เจอคงไม่ปวดราวไม่ใช่ไม่มีเยื่อใยแต่ตราบใดที่ฉันยังอยู่เธอก็คงรู้ดีไม่อาจจะลืมความหลังสักทีหากวันนี้เธอยังเก็บใจ รอยให้ฉันต้องเสียเธอไปก็ยังน้อยคงดีกว่าทำให้เธอทนอยู่ทุกทุกวันและเธอนั้นก็คงไม่เสียใจไปกว่าฉัน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 ให้ฉันต้องเสียเธอไปก็ยังน้อยคงดีกว่าทำให้เธอทนอยู่ทุกทุกวันและเท่นั้นก็คงไม่เสียใจไปเพราะฉัน